ชีวิตเป็นสุขแค่หายใจด้วยจิตเป็นหนึ่งได้เวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเต็มๆแต่าหากว่าใครมาถึงจุดที่ทาทานจนมีความสุขรักษาศีลจนรู้สึกสะอาดภาวนาจนจิตใจใสเบาเริ่มรู้สึกปล่อยวางมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่มีความสุข นับเป็นอีกปีที่คุ้มที่สุดในชีวิตได้แค่สวดอิติปิโสระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วรับรู้ถึงใจที่มีความสงบความใสความสว่างที่แผ่ออกเกินตัวใจเราจะสงบแนบกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ใจที่มีวิตกกะวิจาระอยู่กับพระพุทธเจ้าผ่านบทสวดจะรู้สึกราวกับจิตเป็นสิ่งศักดิก์สิทธิ์เสียเองราวกับอัญเชิญพุทธคุณมาประดิษฐานในจิต รับรู้ได้ด้วยความเป็นสมาธิจากนั้นเอาความศักดิ์สิทธิ์ทางใจที่เป็นสุขนี้มาต่อยอดด้วยการนั่งสมาธิแค่หายใจเป็นคือมีวิต ก, กะแค่หายใจด้วยจิตเป็นหนึ่งได้คือมีวิจาระใจเราจะรู้ได้ณขณะนั้นเลยว่านี่คือช่วงเวลาที่ชีวิตมีความสุข ขันห้าโดยเดิมไม่สามารถรู้ตัวเองได้ว่าเป็นขันห้าเพราะละักษณะการประชุมกันของขันห้าต้องปรุงแต่งจิตให้เกิดความรู้สึกว่าความสุขที่ปรากฏอยู่นี้เป็นของน่าชอบใจเมื่อความสุขสามารถครอบงำใจได้ใจก็หลงยึดไปว่าความสุขนี้เป็นของน่าเอาเป็นของของเราเป็นสิ่งที่ควรตั้งตลอดไป แต่ถ้าใจถูกปรุงแต่งด้วยสติขึ้นมาก่อนเห็นว่าความสุขเกิดจากเหตุปัจจัยเราหายใจยาวได้ต่อเนื่องจึงเป็นสุขเรามีความปล่อยที่ใจได้ใจถึงเบาถึงใสปรุงแต่งให้จิตมีความสุขยั่งยืนขึ้นสุขนี้เป็นของที่มีเหตุปัจจัยไม่ได้อยู่ด้วยตัวเองตามลำพังตัวแสงสว่างแสงรู้จัดเข้าใจว่า ความสุขเป็นของแตกดับได้ตามเหตุปัจจัยเพราะเกิดจากเหตุปัจจัยที่เอาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวมาประชุมกันเดี๋ยวไม่ประชุมกันเช่นร่างกายไม่สามารถหายใจยาวได้ตลอดใจไม่สามารถรวมศูนย์อยู่กับที่นิ่งๆเสมอไปบางวันจึงสุขบางวันจึงทุกข์บ้างเห็นแบบนี้ความสุข จะปรากฏเป็นของไม่เที่ยงขึ้นมาจะมีปัญญาที่เข้าใจออกมาจากจิตว่าของสิ่งนี้ไม่เที่ยงแน่ๆเกิดจากเหตุปัจจัยประกอบอยู่ณจุดที่เรามีสติรู้อยู่ว่าความสุขนี้กำลังปรากฏเพราะเหตุปัจจัยรู้ว่ากำลังมีความสุขหายใจออกรู้ว่ากำลังมีความสุขหายใจเข้า ในลมหายใจเข้าออกนี้เองจะรู้สึกว่าไม่มีตัวใครอยู่ในนี้ขึ้นมามีแต่จิตปรากฏรู้ภาวะว่ากำลังสุขอยู่ไม่มีคนที่เป็นเจ้าของความสุขและไม่มีคนที่กำลังหายใจเกิดภาวะผู้รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นคันห้าเป็นธาตุหกแยกจากกันเป็นชั้นๆไม่มีใครเป็นเจ้าของ เรามาทำให้ประโยชน์สุขแบบนี้พัฒนายิ่งๆขึ้นไปในปีใหม่นี้ความสุขที่แท้จริงเวลาที่ขยายขนาดถึงที่สุดจะไปชนเขตของการพ้นทุกการไม่มีทุกขอีกเลยนั่นแหละคือต้นเหตุของสุขที่แท้จริงตลอดกาล